จเจริญพรท่านผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2่ ส, สิงหาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญสร้างกุศลเพราะท่านเห็นว่า การได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะมีโอกาสได้ทําอย่างง่ายๆเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ได้อย่างง่ายดาย เพราะต้องมีพระพุทธเจ้าคือพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตัดสัรุแล้วนำเอามาเอยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกถ้าทรงตัดสัรุแล้วไม่ประกาศพระศาสนาก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาให้พวกเราได้นับถือได้เคารพ ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามและได้ตักตัวองประโยชน์อันสูงสุดที่ไม่มีคำสอนใดจะสามารถมอบให้กับเราได้นอกจากคำสอนของพบออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะคำสอนของท่านจะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆ ที่อยู่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้สามารถปดเปื้องพบชาติต่างๆเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ให้หมดสิ้นไปได้มีพระธรรมคำสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่ถ้าพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วไม่ได้ประกาศพระศาสนา ท่านก็จะกลายเป็นภาพประเจกกับพุทธเจ้าไปเราก็จะไม่ทราบว่ามีภาพพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เนื่องจากพระองค์ไม่ทรงประกาศสอนไม่ทรงประกาศพระศาสนาสั่งสอนสัตว์โลกนั่นเองจึงถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาเกิดในภพนี้ในชาตินี้ ที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่สามารถจะพาให้เราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้และชีวิตของเราก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะอยู่ไปได้ตลอดอยู่ไปได้นานเวลาของชีวิตเรามีน้อยมีจำกัดและมีน้อยลงไปเรื่อยๆื การที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาพร้อมๆกันทั้งสองอย่างก็เป็นสิ่งที่ยากเย็นอย่างมากแต่เมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วจึงถือว่าเป็นโชควาสนาของเราอย่างยิ่งที่เราควรจะรีบช่วยโอกาสใช้สิ่งทั้งสองอย่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ ให้ที่สูงสุดเพราะถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแล้วไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่สามารถศึกษาปฏิบัติทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือถ้ามีพระพุทธศาสนาแต่เราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เช่นเรามาเกิดเป็นสุนัขอยู่ในวัดนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถึงแม้จะมีพระศาสนา แต่สุนัข ก, ก็จะไม่มีความสามารถทางด้านสติปัญญาที่จะรับรู้ที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จำต้องมีร่างกายของมนุษย์และจำต้องมีพระพุทธศาสนา มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เมื่อมีทั้งสองอย่างนี้แล้วสิ่งที่จะจาเป็นจะต้องมีก็คือศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมีศรัทธาแล้วเราก็จะได้มีอิทธิบาทสีคือมีฉันทะความพอใจที่จะศึกษาปฏิบัติเมื่อมี ความพอใจก็จะมีวิริยะความภาคเพียรที่จะศึกษาปฏิบัติแล้วก็จะมีจิตตะคือจิตใจที่จดจ่ออยู่กับการศึกษาปฏิบัติแล้วก็จะมีวิมังสาคือจิตไข้ครควญอยู่กับเรื่องการศึกษาและการปฏิบัตินี่คือสิ่งที่เราจำต้องมีต่อไป หลังจากที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราต้องปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ได้ให้เราเชื่อว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความจริงสอนให้ทําดีได้ดีสอนให้ทําชั่วได้ชั่วสอนให้เราศึกษาปฏิบัติแล้วปฏิบัติตาม เราก็จะสามารถไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายได้ mm hmm. ขอให้เราเชื่อเ mm hmm. ชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย การเกิดแก่เจ็บตายจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาสิ่งที่น่าปรารถนาก็คือการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายการที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องศึกษาและปฏิบัติ ต, <L> ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเชื่อว่าเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็จะได้มีความยินดี ที่จะศึกษาเพ่อะทรมคำสอนแล้วก็จะนำเอาไปปฏิบัติต่อเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้มีผลเกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราคือความสงบความร่มเย็นเป็นสุขความความดับของความทุกข์ต่างๆการสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเพื่อให้เราได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ก็มีอยู่4ประการด้วยกันคือเราต้องศึกษาพระอริยาศาศาสัจสีซึ่งมีอยู่4ข้อคือข้อที่1เรียกว่าทุกข์2ข้อที่สองเรียกว่าสมุ ท, ทยัยต้นเหตุของความทุกข์3ข้อที่สคือนิโรธความดับทุกข์ และสมัคคือทาง<ม>ดำเนินสู่ความดับทุกข์นี่คืออริยสัจส์่เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาและปฏิบัติอยู่4ประการด้วยกันเรียกว่ากิจของพระอริยสัจส์่ถ้าผู้ใดาสามารถปฏิบัติกิจในพระอริยสัจส์่นี้ได้แล้ว ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติภารกิจทั้ง4ประการนี้คือภารกิจในพระอริยสัจสี่ให้ครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ภารกิจข้อที่หนึ่งภารกิจในอริยสัจสีข้อที่หนึ่งก็คือต้องทุกต้องกําหนดรู้คําว่ากําหนดรู้หมายถึงต้องศึกษาให้รู้ว่าทุก์คืออะไรทรงตัดสอนว่าทุกคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกคือการพัดพากจากสิ่งที่เรารัก ทุกคือการประสบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาหรือโดยสรุปก็คือทุกที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเรียกว่าอุปทานในขันห้าคือความยึดติดอยู่ในชีวิตจิตใจนั่นเองเพราะขันห้าก็คือองค์ประกอบของชีวิตจิตใจของพวกเรา มีอยู่ห้าส่วนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายของเรามีอาการสามสิบสองเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเป็นต้นแล้วก็ใจของเราก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนของจิตใจ เป็นสิ่งที่เรายึดติดเรายึดติดในรู ป, ปรขันคืออยากจะให้ร่างกายของเรานั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากจะให้อยู่ไปนานๆยึดติดอยู่ในจิตใจก็คืออยากจะให้ใจของเรามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นี่เรียกว่าอุปทานในขัน การยึดติดอยู่ในขันห้าสรุปแล้วทุกขสัจจะก็คืออุปทานในขันห้าอุปทานในชีวิตจิตใจยอยากจะให้ชีวิตของเรามีแต่จะความเจริญรุ่งเรืองโดยถ่ายเดียวอยากจะให้มีความสุขโดยถ่ายเดียวซึ่งมันขัดกับความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่ ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีการพลาดพลากจากของรักเป็นธรรมดามีการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเป็นธรรมดาท่านจึงสงสอนให้เรากำหนดรู้คือให้ศึกษาจนเห็นความจริงของชีวิตว่ามันเป็นอย่างนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนเมื่อเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคน ต้องพัดพลาคจากกันต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาด้วยกันทุกคนถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะเห็นต้นเหตุของความทุกข์ขึ้นมาว่าความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆของเรานี้เองความอยากที่สวนกับความจริงของชีวิตชีวิตก่อนมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย เราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดภาคจากกันอยากไม่ทุกข์อยากจะมีแต่ความสุขนี่คือต้นเหตุของความทุกข์ถ้าตราบใดเรามีความอยากเหล่านี้อยู่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาท่านจึงสอนให้เราละต้นเหตุของความทุกข์นี่คือภารกิจข้อที่สองสมุทัยต้องละคือเราอย่าไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะอยากก็ให้อยากในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วจะไม่ทุกข์เช่นอยากแก่อย่างนี้จะไม่ทุกข์ เวลาแก่จะไม่เสียใจเพราะสมใจสมใจอยากอยากจะแก่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะสมใจเมื่อถึงเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะตายก็จะสมใจจะไม่เสียใจจะไม่ทุกข์ใจอยากจะพัดพากจากสิ่งที่เรารักอยากที่จะประสบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนานี่คือวิธีละความอยาก คือเราต้องสวนทางกับมันมันอยากไม่แก่เราก็ต้องอยากแก่มันอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องอยากเจ็บไข้ได้ป่วยมันอยากไม่ตายเราก็ต้องอยากอยากตายถ้าเรา ambos. สวนกับมันแล้วต่อไปมันก็จะเฉยเฉยมันจะอย่างไรก็ได้เมื่อถึงเวลาแก่ก็แก่เวลาเจ็บก็เจ็บเวลาตายก็ตายแต่ใจจะไม่รู้สึกวุ่นวาย พอใจได้รับได้ละความอยากคือต้นเหตุของความทุกข์แล้วนี่คือภารกิจข้อที่สองคือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากต่างๆต้องละต้องละความอยากมีอยากเป็นอยากมีความสุขอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ทุกข์อยากไม่ยากจน นี่คือสิ่งที่เราต้องละถ้าเราละได้แล้วผลคืออริยสัจข้อที่สามก็จะปรากฏขึ้นมาคือความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้ภารกิจในข้อนี้ก็คือทำให้มันสวะทาให้มันปรากฏขึ้นมาทำให้มันแจ้งขึ้นมาทำให้มันเป็นผลขึ้นมาการที่ นิโรธความดับทุกข์จะแจ้งขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราได้ละสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจแล้วและการที่เราจะละสมุทัยได้เราก็ต้องมีมรรคเป็นเครื่องมือมรรคนี้คืออริยสัจข้อที่4ที่เป็นหนทางสู่การดับทุกข์ มรรคนี้ส่งสอนให้เราจเจริญให้มากถ้าเรามีเครื่องมือมากเท่าไหร่เราก็จะมีกําลังที่จะละสมุทัยได้มากเท่านั้นมีกําลังที่จะทําให้ความดับทุกข์แจ้งมากขึ้นไปเท่านั้นมรรคคืออะไรมรรคก็คือทานศีลภาวนาคือการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้สาธุชนพุทธบริษัตทปฏิบัติกันเสมอ คือ 1. ทาน<ม>การให้สองศีลคือการไม่เบียดเบียดกัน 3. ภาวนาพัฒนาจิตใจให้มีความสงบให้มีความฉลาดรู้ทันกับความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนานี่คือมร ถ้าเราจเจริญมากได้มากๆแล้วก็เท่ากับเราได้ทาภารกิจทั้งสข้อได้ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะการกำหนดรู้คือการศึกษาทุกก็คือการจเจริญมากนั่นเองเวลาเราศึกษาทุ ก, ก็เท่ากับเราจเจริญวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญา พิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพาาจากกันต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเมื่อพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาเราก็จะเห็นสัจธรรมข้อที่สองคือต้นเหตุของความทุกข์สมุทยัยก็คือความอยากต่างๆเมื่อเรารู้แล้วว่าความทุกข์ของเรานี่เกิดจาก สมุทัยคือความอยากต่างๆเราก็ต้องละมันเสียมันอยากอะไรเราก็ต้องละมันมันไม่อยากอะไรเราก็ต้องอยากมันมันอยากอยากอยู่ไปนานๆเราก็ต้องไม่อยากอยู่ไปนานๆมันไม่อยากแก่เราก็ต้องอยากแก่มันไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องอยากเจ็บไข้ได้ป่วย มันไม่อยากตายเราก็ต้องอยากตายคือไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกลัวความแก่ถ้าเราไม่กลัวมาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เมื่อเราไม่ทุกข์ก็เท่ากับว่าเราได้ละสมุทัย<ม>ละความอยากต่างๆแล้วก็เท่ากับทำนิโรธความดับทุกข์ให้แจ้งให้ปรากฏขึ้นมา ด้วยอะไรก็ด้วยการเจริญมากนี้เองมากต้องเจริญให้มากจเจริญให้สมบูรณ์เมื่อเจริญสมบูรณ์แล้วเราก็จะรู้ว่าทุกข์คืออะไรเราก็จะรู้ว่าสมุทัยคืออะไรแล้วเราก็จะได้ละสมุทัยได้แล้วเราก็จะได้ทําความดับทุกข์คือนิโรธให้ปรากฏให้แจ้งขึ้นมา นี่คือภารกิจสี่ประการในอริยสัจสี่ไม่ว่าใครก็ตามถ้าปรารถนาที่จะก้าวสู่ก้าวพ้นสู่ความทุกข์ก้าวพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจำต้องทำภารกิจในอริยสัจสี่ทั้งสี่ประการนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าสามารถทำได้แล้วก็จะกลายเป็นพระอรหันต หรือเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าเป็นถ้าถ้าศึกษาถ้าปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสี่โดยไม่มีใครสั่งสอนเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหรือสมมณะโคธมะที่หลังจากได้ออกบวชแล้วก็ได้บำเพ็ญสมมะธรรมตามลำพังไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่จะสั่งสอนเกี่ยวกับภารกิจทั้งสี่ ในอริยสัจทั้งสนี้จึงต้องศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองจนในที่สุดก็สามารถปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสี่ทั้งสข้อได้ครบถ้วนบริบูรณ์จึงกลายเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าสั่งสอนก็กลายเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่สั่งสอนก็จะเป็นพระประเจ ก, กพุทธเจ้า ส่วนผู้ที่ได้ยินได้ฟังอย่างพวกเราในวันนี้เราได้ยินได้ฟังเรื่องภารกิจในอริยสัจสีแล้วถ้าเราน้อมเอาไปปฏิบัติตามได้จนสามารถทํทภารกิจในอริยสัจสีนี้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้เสร็จสิ้นแล้วเราก็จะกลายเป็นอรหันต์กลายเป็นพระอรหันต์กลายเป็นพระอริยะ เป็นสาวกสาวกคาว่าสาวกนี่แปลว่าผู้ฟังก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหรันต์สาวกได้ต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก่อนจะมาอุตริบอกว่าตนเองเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วได้บรรลุคือคือได้ทมกิจ ในอริยสัจสีได้จนครบถ้วนบริบูรณ์จนจิตสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธแล้วหลงแล้วก็เรียกว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกจะเรียกตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ความหมายมีไว้สําหรับผู้ที่สามารถศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติภารกิจในพระอริยสัจสี่ได้ด้วยตนเองเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นพะระอรหันต์ก็ไม่มีความแตกต่างกันเรื่องการหลุดพ้นของความทุกข์ก็หลุดพ้นเท่าๆกันจิตใจสะอาดบริสุทธิ์หมดจดเหมือนกันไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน ต่างกันตรงที่คนหนึ่งต้องศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติด้วยตนเองไม่มีใครสั่งสอนส่วนอีกคนหนึ่งมีคนสั่งสอนแล้วก็ปฏิบัติจนหลุดพ้นได้นี่คือความแตกต่างกันถ้าจะมองก็มันก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเพราะการที่จะหลุดพ้นได้ด้วยตนเองนี้ ไม่ใช่เป็นของง่ายขนาดมีคนสั่งสอนอย่างพวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เป็นปีๆแล้วยังไม่สามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นได้เลยแล้วนับภาษาอะไรถ้าเราจะต้องไปศึกษาและค้นคว้าแล้วนามาปฏิบัติด้วยตัวเราเองยิ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นการปรากฏของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละพระองค์ จึงไม่ใช่เป็นของง่ายไม่เหมือนกับการปรากฏของพระอาหารหันตสาวกพอมีพระพุทธเจ้าองคแรกพุทธปรากฏขึ้นมาแล้วพอท่านได้ประกาศพระธรรมคำสอนให้กับสัตว์โลกก็จะมีผู้สามารถนำเอาไปปฏิบัติตามได้เป็นจำนวนมากปรากฏมีพระอาหารหันต์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากเช่นในศาสนานี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศ พระธรรมคาสอนสั่งสอนสัตว์โลกไปเพียงเจ็ดเดือนก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ขึ้นมาถึง 1,250 รูปคือในวันวันมาค้าบูชาวันเพ็ญเดือนสามนั่นเองเป็นวันที่มีพระอาหารหันต์ร้อรูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันถ้านับเวลา กลับไปก็เป็นเวลาเจดเดือนตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนคือในวันเพ็ญเดือน8วันอาสาฬหาบูชานับจากวันเพ็ญเดือน8มาถึงวันเพ็ญเดือนสก็เจเดือนเจเดือนนี้สามารถสั่งสอนอบรมให้สัตว กลายเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้อย่างน้อยก็ 1,250 รูปแล้วแต่ก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏมีพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลาเป็นกลับเป็นการเลยทีเดียวเพราะการจะปรากฏของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้จำต้องบาเพ็ญบุญบารมีมาเป็นเวลาอันยาวนาน จนกว่าจะได้มาปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพอปรากฏแล้วก็ทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนสามารถบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้อย่างง่ายอย่างสบายมีจํานวนมากในศาสนาพุทธของเรานี้มีพระอรหันตสาวกนับเป็นจํานวนไม่ท่วนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะอาศัยบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้า ที่ได้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติด้วยตนเองจนบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอามาสั่งสอนพวกเราอีกทีหนึ่งดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้โอกาสอันดีงามนี้ผ่านพ้นไปถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติกิจในพระอริยสัจได้ก็ขอให้อย่างน้อยที่สุด ก็ขอให้บำเพ็ญทานบา ร, รมีบำเพ็ญศีลบา ร, รมีไปก่อนเพื่อที่จะพาให้เราเข้าสู่ขั้นภาวนาเพื่อเราจะได้ปฏิบัติทำจิตใจให้สงบแล้วจะได้เข้าสู่การปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสี่ต่อไปจึงขอให้ท่านจงให้ความสำคัญต่อการบำเพ็ญ ไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลาว่างผ่านไปโดยไม่ได้ทําบุญทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะจะเป็นการเสียโอกาสเสียเวลาเสียชาติเกิดเกิดมาแล้วไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาไม่ได้ตัดพพตัดชาติให้น้อยลงไป ไม่ได้ทำให้ความทุกข์เบาบางลงไปจึงขอให้ท่านจงตั้งหน้าตั้งตาศึกษาและปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในพระอริยรรสัจว์4สประการด้วยกันคือหนึ่งทุกข์ต้องกำหนดรู้สองสมุ ท, ทยัยต้นเหตุของความทุกข์ต้องละ 3. นิโรธความดับทุกขต้องทำให้แจ้ง 4. มักคือทางสู่การห ล, หลุดพ้นจากความทุกข์ต้องเจริญให้มากนถ้าเราบำเพ็ญได้แล้วสักวันหนึ่งเราก็จะสามารถประกาศให้กับโลกได้รู้ว่าทุกที่ต้องกำหนดรู้นี้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ต้องละ เราได้ละแล้วนิโรดความดับทุกข์ที่ต้องทำให้แจ้งเราได้ทาให้แจ้งแล้วมรรคที่ต้องต้องเจริญให้สมบูรณ์เราได้เจริญอย่างสมบูรณ์แล้วนี่คือวาจาของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและพระอาหารหันตุกรูปก็เช่นเดียวกันก็จะแป่งวาจาเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกัน ประกาศกศักดิ์สความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระอาหารหันต์จึงขอให้ท่านจงน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาศึกษาปฏิบัตินำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มารอกเพ็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ